เท็เรื่องขี้ขโมยวันนี้เทศเรื่องขี้ขโมยคนเรามันมกักขี้ขโมยบ่อยๆ อ, อะไรก็ตามเถอะของรักของขี้ขโมยเขาฐานอร่อยนักมันชอบเหลือเกินคนเราขอดีๆให้ดีๆไม่อยากได้ มันถ้าขี้ขโมยข้อแรกนั่นคลองนิดหน่อยก็าอาริสอร่อยคองไม่ดีไม่ดีก็กลายเป็นคลองดีขึ้นมันเป็นนิสัยอย่างนี้คนเราแต่ไหนจะอะไรมาที่อยู่ทั่วไปทั้งบ้านของเราอยู่ทั่วไปเป็นอย่างนี้น ทา น, นี้มาทํำความเพียรภาวนาเพื่อจะสําสรวมใจมันก็ขี้ขโมยเรื่อยออกไปโน่นออกไปนี่ภาหารักให้ชกนะขี้ขโมยใครต่อใครแรงต่างหลายเรื่องหลายอย่างอดยเฉพาะนิสัยของเรานิสัยเคยติดติติดฐานติดบ้านติดเรือน ติดลูกติดหลานติดการติดงานมันไม่อยากอยู่กับตัวตั้งสติรักษาไว้เท่าไรเท่าไรมันก็ไม่อยากจะอยู่ตัวสติเสียบเหมือนกับตำรวจคออยู่เย็นอยู่หยาดเรื่อยแต่ขี้ขโมยมันค่ อ, อยขโมยเปลื่อยไป ความว่าเป็นเรื่องเป็นราวความเป็นกิจการงานอนแดนตะวันตกก็คิดขโมยเรื่อยไปความนี้เดียวเดอกไม่มีอะไรเด้อิดคิดนิดเดียวเถอะน่ะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโหดฐานเลยกลายเป็นพบเป็นชาติ นันที่ท่านพูดถึงเรื่องภาะวะเวพบน้อยพบใหญ่ตายตายแล้วเกิดเกิดคือได้แก่จิตตัวนี้เองให้กิดขโมยตัวเดียวนี่แหละมันสหายยึดนนยึดนี่สหารทีขโมยไปยึดยิงต่าง ตายจากนี้ไปเกิดพบนนคือตายจากยึดอันนี้แล้วไปยึดอันนน์ตายจากยึดอันนนท์กับไปยึดอนนนท์ต่อไปเลยไม่มีที่หยุดที่ยัง่งมัน่นเรียกว่าพบน้อยพบใหญ่คือตัวของเราอยู่นี่เองเมื่อยังไม่ตายตาบใลยมันก็ยังยึด ร่างกายถือว่าตนว่าตัวอยู่เราอยู่ลำไปี น, นเรียกว่าภพใหญ่ถ้าเมื่อตายจากอัตภาพอันนี้เสียมอะไรมันยิง่งจะไปจุตติไปปฏิสนธิในที่ต่างๆในที่เรายึดมั่นในสิ่งใดในภพน้อยภพน้อยที่จะไปยึดนั้นมันไม่มั่นคง กา น, นไปยึดมั่นคงในสิ่งใดวัตถุอันใดบุคคลใดนั่นหละน่าจะพบใหญ่ก็เกิดในที่นั้นความคิดขโมยการพูดทั้งเรื่องศีลก็ข้อที่สองอาชินานั่นเองความคิดขโมยของเขา ตัวของเราน่ก็ที่ขโมยก็ตัวจินานานั่นเนี่ความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาในใจของเราเพราะจะหาที่ขโมยเขาเรื่อยไปทำอย่างไรจะบริสุทธิ์ทำอย่างไรจะ้นจากที่ขโมย ต้องตั้งป้อมรักษาให้มั่นคงต้องตั้งสติกำหนดจิตให้แนวแน่ในที่นี่แหละต้องมีเครื่องอยู่มีอารมณ์เนเครื่องอยู่อารมณ์ของเรามีหลายอย่างยึดอคุธโธหรืออนาปาสติ ตั้งสติยึดจิตตรงกันที่มันนึกพุโทโธแล้อนนาปาสตินั่นแหละให้เป็นอารมณ์ัหนึ่งความพอใจความรักใคร่ความเรื่องใสความยินดีกับอนนาปารสติหรือพุโทโธนั่นจึงจะ ยึดมั่นถือมั่นในจริงนะความไม่พอใจความไม่เลื่อมใสศรัทธาทำสักได้ว่าทำทำไปชักเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไปถ้าความเลื่อมใสศรัทธาพอใจถ้าใข้ ย, ยินดีเขาแล้วยึดตั้งมั่นในจริงเดียว แน่วแน่ตรงนั้นเลยก็ดูได้ภายนอกแล้วประกอบภารกิจภายนอกเอาเถอะถ้าพอใจในสิ่งใดแล้วอาชีพของตนในสิ่งใดที่พอใจละคใายตั้งมั่นเฉพาะในสิ่งนั้นย่อมสำเร็จประโยชน์เขานาก็เช่นเดียวกัน พอทำพ่อนาเขาได้ข่าวคนนั้นเป็นยัางไนคนนี้เป็นอย่างไงก็เลยอยากเป็นอย่างเขาตัวของเราเลยไม่นำพาอยากจะเป็นอย่างเขาแต่ตัวของเราไม่พอใจของเรายินดีกับของคนอื่นไม่ยินดีกับตัวของเราอุบายนั้นจึงไม่มั่นคง ถ้าหาก็ปักมั่นลงแน่วแน่ลงอย่างเดียวแล้วอันนี้แหละเป็นของดีจิตมันก็นลงท่อเ น, นือ่องสิมันจะเชี่ยวว่อนไปไหนสร้างพุทธการเพื่อสาวกทั้งหลายที่ได้เฉลี่ยมาสู่นิพพาน ตั้งหน้าตั้งตามาแต่ไกลแสนไกลท า, างจำสิบสองโยต์ตั้งหน้ามาฟังเทศฟังคำคำสองพระพุทธเจ้าพอมาฟังแล้วก็ปักใจมั่นในสิ่งเดียวที่พระองค์จะเทศนาคิดไม่หวั่นไหว คิดไม่สงสารทีท่อื่นมัคนความที่ตั้งใจมานั่นนะ่ะเป็นสมาธิมาแล้วแต่ไม่จับที่จับหลักไม่ได้เอามาฟังเทศพระองค์เทศให้ฟังก็นันนะ่ะจับหลักให้มั่นคงแน่ๆลงถึงที่สุดเลยท่านเป็นอย่างนั้น พวกเราเคยอยู่เคยฟังเทศเคยปฏิบัติมานานแล้วจับอะไรขึ้นมาดูคยอย่างนั้นนะจับอะไรมาพิจารณาแต่อย่างนั้นน่ไม่เป็นจริงเปจังสักอย่างนงมันจึงไม่เป็น จึงไม่เป็นพรนาสมาธิถ้าจับมั่นคงเอาไว้แล้วอารมณ์อื่นมันก็หายหมดทันสิใจมันใจอันเดียวนี่ตักมันน่นลงแล้มันก็หมดเรื่องอันที่ว่ามากใจมากอย่างผู้ดเดียวนี่แหละมันเร็วเซนเร็ว ม, ม, มันวิ่งว่อนยึดนั่นเวยนี้ดูเหมันก็ว่าใจะมีมากน้องคิดดูวันที่เราจิตมั่งมากมากันที่ว่ามากกันะ เราได้ความทุกข์สักอย่างหนึ่งเช่นว่าเราอยู่ดีๆนี่แหละเดินไปเดินมาตามด้านวัดวนวา น, นี่แหละตีนเป็ดตามเอหัดต่อสักอย่างหงยุดมัดกัวคิดหนึ่งไม่อยู่นั้นมดจิตคิดเลยไม่อยู่คนเดียวนึงไม่อยู่ที่ปวดนี่ที่จิตนั้น ไม่ไปอื่นกรจิตนั่นมันมันอยู่ตรงมามันก็มาอยู่นั่นน่ะสิมันอยู่คนเดียวเนี่ยสมันอยู่แล้วน่ะมันที่มันวิงว่อนไปมากๆเนี่ยมันไม่อยู่มันไม่อยู่ในที่เดียวครับต้นปนเตะหลายอย่างหลายเรื่องพราะหไม่เท่าตามต่อ พุกเบียวเท่านั้นนะหยุดเลยไม่ไปมาอยู่เฉพาะนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันเราเริ่มใสพอใจเยินดีสักอย่างหนึ่งสักสักธรรมะสักอันหนึ่งจงิต ม, มันก็จะมาจดจ้องเอฉพาะในเรื่องนั้น ธรรมะไม่ใช่ของมากมายอันเดียวทำอันเดียวลงถึงทำอันเดียวตรงนั้นเนี่ยเป็นถึงมดคือจิตที่รวมลงไปอันเดียวนั้น <c oughs> ที่เราฝึกหัดอบรมเราต้องการอบรมให้จิตเป็นอันเดียวอันหนึ่ง ถ้าหากพิจรารณาลงไปพุทโธหรืออนนาปารสติความพอใจเรื่องใสายวน่อันเดียวแล้วกันอันมนี่ไม่ต้องหรอกที่ท่านว่าไว้ทำทั้งหลายมากมายก็ตามถึงก็เพื่ออันเดียวน่ยเนยีต้องการอันเดียว อันอยู่เดียวนึงแน่วนิ่งแนวเสียก่อนมันยิ่งจะรู้ของมากอันหนึ่งจิตอันหนึ่งคือจิตเป็นเพเป็นสมาธิภาวนาจิตอันหนึ่งคือจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวเอกาตาจิตในที่นี้ เรียกว่าจิตอันหนึ่งอันรวมเป็นอันหนึ่งแล้วไม่มีอะไรนั้นนจะมาเรียกว่าใจอาการมากมายเรียกว่าจิตจิตเป็นอาการของใจสรงสายไปมาสารพัดทุกททอย่างทุกอย่างที่ เป็นอดีตอนาคตที่มาลงไม่ลงอันเดียวนะั่นเป็นใจท่านท่ามันรวมเป็นนันหนึ่งแล้วไม่มีมีแต่ความรู้สึกตัวนั้นเป็นตัวใจคือไม่มีดีมีชั่วไม่มีหยาบมีละเอียดที่ว่า ไม่มีอดีตนะครคตจะมันมีนอกนี้งไงอยู่ไหนก็ไม่จักต่มันอยู่ด้วยความรู้สึกของมันต่างหาในหนึ่งท่านเรียกว่าจิตตังอาพสตรังจิ ต, ตภัสสอนจิตกับใจเป็นอันเดียวกันนะอย่างพูดว่าอย่างท่านว่า น, นั่นแหะ อันนี้จะมาพูดให้เข้าใจง่ายๆเพื่อจะให้รู้จักจิตนั่นคืออะไรใจนั่นคืออะไรมะโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจถึงก่อน สำเร็จแล้วโดยใจอันนี้พูดถึงเรื่องใจจิตตงังขพัฒนสร่างจิตยังขอพัฒสอนอาคารทุเกจิเสเจีิจิเลสเป็นของจรมามนท่นนทนนา น, ทนเรียกจิต โดยสวมากเรียกใจนั่นโดยส่วมากมีน้อยอาจารย์ทั้งหลายท่านยังพูดว่ารวมความเรียกว่าจิตกับใจเป็นอันเดียวกันคันทับพูดทั้งเรื่องจิตกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วใจเป็นของกลางไม่มี จิตเป็นของกลางไม่มีมีแต่ใจมันของกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่คิดอยากเฉลียดเดี๋ยวนี้หลาเฉยๆเดี๋ยวนี้แหละให้ลองคิดดูของเฉยๆเลยเป็นใจถ้าหากอยากจะรู้จะทดลองเรื่องนี้ก็ได้รจจ เ, เรากั้นใจสักพักหนึ่งกั้นลมหายใจสักพักหนึ่ง ไม่คิดไม่นึกแต่รู้สึกตัวว่ามีแต่ไม่ทราบวามีอะไรอันนั้ น, นตัวใจทดสอบทดลองด้วยการลให้ใจแต่ลักษณะเชนนั้นจะอยู่ได้ไม่นานก็หายใจมันก็อ วิ่งไปตามอาการต่างๆถ้าเราฝึกหัดอบรมจิตให้หนึ่งแนวอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างท่ว่ามาแล้วนั้นอยู่นานๆแล้วมันจะรวมเข้าเป็นใจ โดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้รวมมันเป็นเองของมันอันนั้นถึงจะอยู่เลยนานเราตั้งใจให้มันถึงใจคือการลมหายใจนั้นอยู่นิดเดียวเท่านั้นความสงบมีความรู้สึกอยู่ แต่หาไม่ทราเลยรู้สึกอะไรจะรู้สึกว่ามีอยู่บางครั้งบางคราวมันจะรวมเข้าไปหายเงียบอันนั้นอย่างหนึง่งเข้าเป็นใจเหมือนกันแต่การหายเงียบไปนั้นใจนั่นแหละมันรวมเข้าไป แต่ว่ามันไปอีกแผนกหนึ่งอีกมันอย่างที่รวมเข้าไปรู้สึกสัวอยู่อันนี้ดีกว่าเมื่อรวมเข้าไปแล้วนะอยู่สงบนิ่งแนวมีความรู้สึกอยู่กลับให้พอใจอแค่ ไม่ยินดีพอใจตอนนั้นอีกแหละอยากจะให้รู้โน้นหรือนี่เห็นโน่นเห็นนี่อะไรกันสัไม่ทราบว่าเห็นไปอะไรไม่ทราบว่ารู้ไปอะไรคือกลาวไม่คิดขโมยแต่ก่อนนั้นมันนิ่งอยู่ไม่ชอบใจอขโมยโน่นขโมยนี่มันยังค่อยชอบใจ นิสัยยังเป็นขี้ขโมยไม่แต่เดิมมันจึงไม่ชอบเช่นนั้นเมื่อมันเข้าถึงความสงบแล้วนันมีความรู้สึกอยู่นั้นแห่งพิจนาตรงนั้นน่ะก็ลดเข้าไปตรงนั้นน่ะ คำที่ว่าไม่มีอะไรมันจะมีขึ้นมาคำว่าไม่มีอะไรมันจะเกิดมีขึ้นมาในที่นั้นชอบขนเรื่องภาวนาทั้งมาทไม่มีคันมองไปมันมีขึ้นมาคันเมื่อมันมีขึ้นมาตั้งสติกำหนดเลยไม่มีขึ้นเลยไม่มีอะไร มันจะมีอะไรลองดูเลยมาคิดนึกสงสัยว่ามีอะไรจะคิดถึงการถึงงานถึงบ้านถึงช่องถึงลูกถึงหลานมันมีอะไรของบ้าตามไล่กันไปจริงจรงอจารไม่มีความสมมุติต่างหาอย่างลูกลูกกันหลาน มันเกิดขึ้นมา ก, กตามสภาพของมันพระไม่ได้บอกนะมันเกิดมันเกิดขึ้นมามันเติบโตขึ้นมามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาคณะมันก็เป็นไปตามสภาพของมันใครเป็นคนรุ่งเรืองคนใครเป็นคนเติบโตใครเป็นคนเจริญ สิ่งทั้งผ้าทั้งหลายเกิดขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ว่ามนุษย์สัตว์ตัวตนทุกคนเกิดขึ้นมาไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็ตั้งอยู่หน่อยหนึ่งก็ดับไปแั้วก็สลายแล้วดับไปอย่างไรอยู่เท่าไรมันไม่มีตัวมีตนไม่มีสิ่งที่ควรยึดแต่เราไปยึดเอาจนได้ ต้องมีสาระไปยึดเอาตังหะใช่จึงว่าไปพิจารณาของมันมีนั่นเลยกลับไม่มีขันว่าไม่มีเถอะ ความว่างความเฉยเฉยเข้าไปดูมันจะเห็นความไม่เฉยความไม่ว่างมันจะมีอยูอ่ไหนเสียอันนี้แหละมันเป็นเครื่องคิดเครื่องพิจารณาสันลาบให้เกิดสัญญาขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพราะฉะ น, นั้นทุกๆคน เกิดขึ้นมาแล้วเป็นขี้ขโมยเต็มตัวทุกคนจงระงับขี้ขโมยเสียเป็นคนผู้ดบกดีเป็นอยู่ปกติเสียเป็นผู้มีสินสมบูรณ์บริบูรณ์ จึงจะได้เชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมบูรณ์ในพุทธศาสนาอธิบายด้วยประกาศาเสนุ่ดศูนย์กลาง่อก่อนเอากลางตรงไหนตั้งตรงนั้นน่ะต้องกลางน่ะ ทำอะไรทั้งหมดต้องจุดศูนย์กลางลงซะก่อนยังคอยวัดรอบๆไปมันยังรู้จักว่ากลงหรือไม่กลงส่วนจิตของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันไว้ตรงกลางกลางาการที่มันออกไปข้างนอกนั้นมันไม่ใช่กลางแล้ว มันตรงสายไปมาไม่ใช่กลางมันไม่ถูกอ่ะนั้นจึงว่าให้จับตรงกลางไปก่อนพอจับตรงกลางได้แล้วนั้นไม่ต้องไปคิดถึงมันหรอกของขนาดไม่ต้องไปเห็นไปวัดไปไปวัดไอาอาการของไปหลงวงลง้อก็ไม่ต้องไปวัดนหรอก ตรงไหนที่เราไม่คิดไม่นึกตรงไหนที่เรารู้สึกอยู่บานที่มันสงสัยไปนั้นไม่ใช่ให้ตั้งใจตรงกลางนันไว้เป็นหลักอะไรทั้งหมดนั่นแหะมันจะคิดสงสัยปญหาการงานเรื่องหาธุระ บัานช่องเรือนช้านลูกหลานพี่น้องอะไรทั้งสวงหมดมันไม่ใช่กลางนั้นตรงกลางมันสบายได้แล้วถ้ามันส่งไว้ไม่สบายคือมันออกไปแล้วความสุขสงบอยู่ตรงกลางนั้นเท่านั้นกลางนี่ไม่ต้องอยู่ไหนก็เอาสื อย่างจะความโลภความโกรธความหลงมานี้อันนั้นเป็นทรงความเกียดความชังนั้นเป็นทรงความรักเป็นข้างหนึ่งความชังเป็นข้างหนึ่งตรงกลางไม่รักไม่ชังนั่นแนะตรงตรงไม่รักไม่ชังนั่นตรงกลางไม่ทราบวาัยยุ่นตรงไหนแล้ว <c oughs> ดีได้ชั่วดีเป็นข้างหนึ่งชั่วเป็นข้างหนึ่ง ไม่ดีไม่ชฉียตรงกลางนั่นเป็นของเราอยู่เป็ที่อยู่ของเราหยาบละเอียดก็เหมือนกันหยาบเป็นข้างหนึ่งละเอียดเป็นข้างหนึ่งนั้นของไม่หยาบไม่ละเอียดอยู่ตรงกลางนั่นเป็นที่อยู่ของเราหาที่อยู่ได้อย่างนี้แล้วจะได้รับความสุข ให้ไม่เดือดร้อนแก่ตัวของหรากอาที่บายฟังมามากแเลยเพราะนั้นทําทํำเลยเอาตรงกลางแล้วก็ทำาตรงกลางนั่นนหะ